สติสำคัญนะสติสำคัญที่สุดเลยเจอค้าพบคําชาติได้ไม่ต้องมีสติมีสติก็มีศีลมีสติแล้วก็มีสมาธิมีสติมีปัญญาขาดสติก็ไม่มีศีลม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสติสาคัญมากสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนี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 เดี๋ยวนี้ใครอยากคุยกับหลวงพ่อต้องยกมือนะไม่มีเส้นมีสายหรอกเพราะว่าโยมเ ย, โ ย, โยโอะเหลือเกินบางคนนี่มาเจ้าแง่แสนงอนถ้าหลวงพ่อไม่เรียกฉันจะงอนตุ๊ป่องไม่ยอมยกมืองั้นก็งอนไปก่อนนำ้ำมศการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกอือย่าน้อมใจให้ซึมครับผมกรรมฐาน<ม>เดิมที่ทําอยู่นะมันน้ําใจซึมๆนะครับเลิกซะพยายามรู้สึกตัวให้มากครัเอาส่งกันบ้านไป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 มาครั้งแรกครับเออครั้งแรกก็ยังดีฟังซีดีมาแล้วเนี่ยเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนครับเห็นครับดีภาวนาดีครับดูไปอย่างนั้นเลยดูอย่างนี้เรื่อยครับใช่ร้อยยี่สร้ยยีมสการหลวงพ่อครับกลัวไหมกลัวครับกลัวก็รู้ว่ากลัวเนาะอายุเท่าไหร่ละสิบปีครัโอหลวงพ่อชอบมากเลยเด็กภาวนา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 มันต้องดินด้นดิ้นดิ้นไปจนกระทั่งในที่สุดมันก็หมดแรงหรือมันพลิกขึ้นมาลักษณะไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละไม่ว่าจะสบายปฏิบัติสบายหรือปฏิบัติลําบากนั้นก็ต้องสู้จนหมดสติหมดปัญญาแล้วถึงจะเข้าใจโอ้ <c oughs> ทรมานนะครับอ <c oughs> มันมันทรมาน <c oughs> มันทุกข์อ่ะ <c oughs> ครับอยากพ้นทุกข์ก็ต้องสู้เอาอืมครับ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 ลองไปภาวนาตามวัดป่าดูนะครับผมไปอยู่คนเดียวไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วภาวนาครับขอบคุณครับเบอร์หกหตอนนี้ยังกดอยู่ครับฟุงซานด้วยไม่ทราบว่าพอกลับกลับไปทําในรูปแบบบางใดอย่างครับถ้าได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะบเบอร์80สกลับนามัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ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 พอหลังจากฟังซีดีแล้วนี่ก็ทานเหล้าไม่มีความสุขเลยเออครัทาเหล้ามีความตั้งแต่เริ่มที่ว่าจะนัดทานเหล้าก็ไม่มีความสุขแล้วอเอฮก็ไม่มีความสุขแล้วจิตคิดตลอดว่า ท, ทํำยังไงจะ ท, ำทํำยังไงดี응ถึงจะหลุดตรงนี้มาได้นะครับก็แรกๆพยายามว่าจะทานเหล้าไปด้วยภาวนาไปด้วยครับก็ลินเหล้าก็รู้ฮ euh, ลินโซลาก็รู้ตากน้ำแข็งก็รู้นะฮะ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 นั่ น, น, นแหละดูจิตไปหมอกรจริตแล้วที่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะจิตมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆใช้ได้นะซ d ดีหลวงพ่อหรืออ่านหนังสือหลวงพ่อเราตื่นนะเป็นเรื่องแปลกอาส่งมาให้ข้างหน้าโยมผู้เท่านี้เบอแถวที่สามบุมีกำไรทั้งสองอันเนยนมันสการค่ะโยมก็ฝึกแบบสมถา ม, มายีกว่าปีแล้วค่ะ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 พอรู้แล้วตรงขึ้นมาก็เห็นไอ้ตัวที่ตรงนี้ไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าต้องหลังตรงหลังตรงตรงก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทาเคยเห็นแม่คนไม่สบายที่หมอก็ดําหลังไว้หลังตรงเป๊ะเลยไม่เห็นจะบรรลุธรรมเลยแล้วหลังตรงอยู่รู้สึกไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่เรางอกหอกงี้มันก็ไม่ใช่เราตัวไหนมันก็ไม่ใช่เราดูอย่างนั้นถึงจะดีนะขอบคุณค่ะเบอร์สองเบอร์สอง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 แล้วก็ขอปฏบิบัติบูชาเป็นชาโอ้ดีนะโมทนานะไม่ต้องเอาอะไรมาให้หลวงพ่อหรอกนะภาวนาะอ่ะมีอีกไหมได้หนึ่งคน69กสกัารบนักสมัชฌา์หลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากจะให้กรุณนาลูกโยมหน่อยเจ้าค่ะ อ, อยากจะให้แนะนำลูกโยม่ะเจ้าค่ะเหรอแล้วลูกเขาอยากเรียนหรือเปล่าเ <c oughs> ด็กกี่ปีอ่ะ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 เด็กไงมันเรียนเร็วกว่าผู้ใหญ่เราไม่ต้องบังคับเราฟังนะเราเปิดให้เขาได้ยินเนะ่ยเดี๋ยวเขาจะรู้เร็วกว่าเราอีกดีเด็กใต้จะตื่นแล้วเด็ก9ขวบแนละ้วมันจะตื่นอยู่แล้วเบอร์53อยู่ที่ไหนอยู่นี่ครั บ, ก, บ ก, การนมัสการหลวงพ่อครับมาครั้งแรกครับฟังซีดีมาประมาณ3เดือนกว่าก็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 เกิดขึ้นก็พอดูโทรสะจิตมันก็โรงขึ้นอรู้วก็รู้ซื่อครับรู้ลงปัจจุบันไปนะครับก็ดูเล่นๆไปขอคําชี้แนะดูเล่นๆนะเวลาดูอย่าถลําลงไปดูครับดูห่างๆดูสบายๆของคุณดูไปเรื่อยๆนะครับของคุณเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ช่างคิดไปนิดนึงครับแล้วปัญญามันจะล้าหน้าง่ายอย่าคิดนํามันนะ